มีชายจะพ้องเป็นงานของคนกรุงได้แต่เป็นงานรวมไทยรวมใจไทยทั้งแผ่นดินก่อนเริ่มโครงการท่านแทบตายถ่ายไม่หยุดยัง้งโรคท้องประดังเกือบหดทางเมียรังชีวินใกล้กา หกแล้วไหวทันนับวันทั้งผินธาตุสีลมน้ำไปดินรอวันแยาแตกออกจากกันลูกศิษย์คิดคนสรรหายามาไม่หยุดทั้งยาเดียวยาชู ยินไทยโบราณจัดทวายมาให้ฉันทุกคืนทุกวันด้วยความห่วงใ ย, ยแต่ทเองมิได้ไว้วั่นเจ็บป่วยช่างมันไม่หวั่นไหวท่านได้กะเกณฑ์สร้างเม้นเรวาย ตายเมื่อได้เผาได้ทันทีคงจะไม่ทันวันเข้าบัานซะ รโรคหายโรคท้องก็ขาดหายไปโดยไม่นานท่านกลับแจ่มใสเพราะโรคไัยไม่มารังควานัน่งยืนเดินได้ เจริญทำลุ่นลำแนวแน่และแผ่เมตตาสักพรัติ์และเทวาด้วยใจเมตตาไม่มีประมาณครั้นคราวหนึ่งซึ่งแผ่เมตตาประจำมีจุดสีดำเลบิดในจิตทัน กระแสเมตตาสามครั้งสักคราเวลาห่างหันจุดดำมืดมอนอุนทการขึ้นนานไม่มีท่าที่ลบลาสรรพสัตว์ทางลายทำมวลรู้ รับส่วนกุศลท่านใดแต่นี้ทำไมถึงไม่ได้รับกุศลเมตตา ส่องจินทีนิดดูก็รู้ขึ้นมาว่าไม่มีใครจะช่วยเหลือเมืองไทยนอกไปจากตัวหลวงตาช่วยแบ่งเบา